50 languages. 19 1เในห้องครัวสมัยอะไรคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะวุ่นนุระยาสมัยลอะไรพุดิยดา วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะนี่ยินดีเย็นน่สมัยกบิรุเบกิร่อยคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารนี่มินซอรอัดปิลสมัยขี้รอยะอลลดตุวายุ อ, อาาัดปิลละดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะนอนเวงโกยมนรุกกะวะ ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะน o n urule k u d a n g ง y tol urikka b าดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะน o n s ซ l a ั a y a l a m b a w แก้วน้ำอยู่ที่ไหน k a น n o d i t u m ลอร์เอ้งหมเอ็งเกอิร r i k k i n d จานชามอยู่ที่ไหนพาติรังกเกลย์เล่ามยังเกอยู่กินแดนนช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนคารันดิวักยราคเกลยังเกอยู่กินแดนนคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะวุนีรัมตินมูดิติรัพย์ป้อนอยู่ดีกินดา คุณมีที่เปิดขวดไหมคะคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะนี้อินเดสัตติโลมีนวัตต์คุกได้ิหรือกีรอยคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะค น, นี้อินเดวัตุมสัตติโลคอยขลัยกริลเซดคุณได้ยินหรือกิ่รอยดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ นองมีจอยๆวันวิ่งคุ த มตัวอวรสัยกีเรนนี่คือมีดซ่อมและช้อนอ த โดอิงกสอปดวัตถุคุ้มคัตตี้มุลคัตตี้มัตทรุมสปูนกันวุ่ลนละนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากอ த โดอิงกทัมเบลร์กันทัตต์กันมัตทรุมไกตุนด์กันว்ุลนละ